เยนนี้เรารวมกันนะทาวัดในสถานที่และบรรยากาศที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยาการมาทําวัดในสถานที่อย่างนี้นะถ้ากลางป่าเขานะที่ร้อมรอบโดยที่ ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์เชื่อว่าคงจะให้ความรู้สึกนะที่แตกต่างจากเวลาเราไปทำวัดในศาลาหรือในโบสถ์ในวิหารนะในความรู้สึกของธรรมานี่เวลาทำวัดในสถานที่อย่างนี้คือแวล้อมด้วยธรรมชาติมันทำให้ใจเราเนี่ยนะใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้น เวลาเราสวดพิจารณาไม่จะเป็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตยอย่างที่เราเพิ่งได้พิจารณาเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดแน่นๆนะหรือว่าเห็นชัดเจนกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าการอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติร้อนแบบนี้เนี่ยมันคือการอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งแล้วก็มีความสงบสงัดด้วยก็ช่วยทำให้น้อมใจเราให้สงบตามไปด้วยพอใจเราสงบแล้วเนี่ยนะการที่เราจ ะ, ะคุณคิด หรือว่าพิจารณาธรรมเนี่ยมันก็กระจ่างได้มากกว่าหรือว่ารู้สึกร่วมเป็นอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะนะที่เราได้สาธยายได้มากกว่าอีกส่วนอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนะเพอเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะเราก็ได้เห็นธรรมะหรือว่านึกถึงธรรมะหรือเข้าใจธรรมะได้ง่าย เพว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยมันแสดงทำให้เราเห็นอยู่นะตลอดเวลายัางเช่นเวลาเราพิจารณานะสังขารพิจารณาความไม่เที่ยงเนี่ยเวราจะเห็นต้นไม้เนี่ยนะใบไม้เนี่ยเราคงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับที่เราพิจารณาไปด้วยต้นไม้ที่เขียวนะ แล้วก็มันก็เหลืองนะรอบตัวเรานะที่เคยสว่างนะมันก็เริ่มจะมืดค่อยๆจะข้าลงไปนะความเป็นอ น, นิจจังเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลานะขณะที่เราสวดมน์ขณะที่เราทำวัด ใบไม้นะที่เขียวแล้วก็เหลืองแล้วก็ร่วงสู่พื้นนะอันนี้ก็คืออ น, นิจจงนะที่มันแสดงให้เราเห็นนครัที่เรานะสวดพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารมันคงให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเวลาเราพิจารณาสังขารในบทในวิหารนะเพราะว่า แต่ที่เราพิจารว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะแต่ว่ารอบตัวเราเนี่ยมันเป็นคอนกรีตดูมันเหมือนมั่นคงจะอยู่ไปชัวฟ้าดินสลายนะความสว่างก็มักจะสว่างนะตลอดเวลาเพราะว่ามีไฟฟ้าแต่ที่นี่ความสว่างเนี่ยมันก็ค่อยแปลเปลี่ยนไปนะยิ่งถ้าเกิดว่าวันไหนเน่มีพระอาทิตย์นะ เราก็จะเห็นพระที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงอันนี้ก็เป็นอ น, นิจจังที่ทําให้อดใจเนี่ยเรารับรู้หรือยอมรับในความไม่เที่ยงของสังขารรวมทั้งความไม่เที่ยงของตัวเราด้วยนะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะวิธีโคจรของพระอาทิตย์ก็คงไม่ต่างจากชีวิตของเราเนะก็คือว่าขึ้นนะจากฟ้าแล้วค่อยอ่า ยานสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้เมื่อถึงกลางฟ้ามันก็ค่อยๆต่ำลงไปคล้อยต่ำลงไปนะแต่ถึงแม้วันนี้จะไม่มีภาพที่ให้เราเห็นนะแต่ว่าอย่างเช่อธรมาบอกนะธรรมชาติรอบตัวจะเป็นต้นไม้นะจะเป็นป่าจะเป็นบรรยากาศโดยรวมๆเนี่ยมันก็ช่วยน้อมใจเราให้สงบแล้วก็ได้เห็นได้ชัดเจนนะถึงเรื่องความเป็น อันนี้จังนะความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนนะในตลอดเดยกันถาเกิดว่าเราทําวัดสดมนนะริมริมลําธารนะก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆนะเพราะว่าลาธารเนี่ยมันก็คือกระแสน้ํำที่ค่อยๆไหลผ่านไปเรื่อยๆนะเหมือนกับกาลเวลาแล้วก็เหมือนกับชีวิตของเรานะที่มีความแปรเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ให้การที่ใจเราเนี่ยน้อมนึกถึงธรรมะได้ง่ายเมื่ออยู่ท่ามกลางารธรรมชาตินะก็ไม่ใชก่ก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะที่สวนโมเนี่ยนะเวลาทำวัดเนี่ยก็จะทําวัดนะลานหินโค้งนะในโบสถ์เพื่อโบสถ์ธรรมชาติหรือในวิหารธรรมชาตินะแวดล้อมด้วยต้นไม้ไม่มีผนังไม่มีหลังคาเนะีเพราะว่าธรรมชาติที่แวดล้อมเรานั่นแหละนะคือเป็นทั้งผนังและหลังคา ซึ่งก็ช่วยเปิดใจให้เราเห็นธรรมะไม่เพียงแต่การมาสวดมนต์เท่านั้นนะขนาดเราสวดมนต์นะไม่กี่นาทีเนี่ยนะใจเราก็จะเริ่มสงบแล้วก็เริ่มเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ง่ายยิ่งถ้าเราได้ลองมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ได้ลองอยู่กับตัวเองนะในป่าก็ดีหรือว่ากลางเขาก็ดี หรือว่าหน้าป้ายนี้เนี่ยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยนะมันก็ยิ่งทำให้นะเราใจเราน้อมนะเป็นเป็นอันหนึ่งกเดียวกับธรรมะได้ง่ายในการพิจารณาธรรมเลยเพราะในเรื่องไตรลักษณ์นะมันก็ช่วยได้เยอะมีเรื่องเล่านะว่าเป็นเกจประวัติของหลวงปู่มั่น หลวงปู่บ้านเนี่ยท่านก็จาริกอยู่ในปา่านะแทบจะตลอดชีวิตของการาเป็นบานประชิตของท่านและการที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปกครองนะได้แก่เจ้าคณะมณฑลเจ้าคณะจังหวัดนะเพราะว่าอยากจะให้พระนี่อยู่เป็นที่ศึกษาปริยติธรรม เจา้าคณะมณฑลท่านหนึ่งนะก็คือว่าซึ่งตอนหลังก็เป็นสมเด็จนะสมเด็จพระมหาเว ร, รวงอ้่นติดโสถ้ามีความสุขที่ไม่ดีกับพระป่ามากแล้วก็เพ่งเงลงหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่สิงห์นะหลวงปู่เสานี่เป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็เป็นอาจารย์หลวงปู่สิงห์นะสิงห์ขันเตียคขโม แล้ก็ทั้งสามท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นแม่ทัพธรรมที่พาพระนี่เดินจาริศ ต, ตามป่าขัดกับนโยบายของคณะสง์เวลานั้ น, นบางครั้งเนี่ยคณะสง์ก็ถึงกับสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ใส่บาตบ้างหรือว่าบางทีก็ให้เจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกจากพื้นที่บ้างอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณตั้งแปดสิบเก้าสิบปีมาแล้วแต่ตอนหลัง แล้วนะก็ท่าทีแข็งกร้าวของสมเด็จท่านนี่ก็ค่อยเริ่มผ่อนคลายเรือเริ่มอ่อนลงแต่ก็ยังมีอากาติอยู่มีคราหนึงนะ่งท่านไปตรวจการที่ภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอหลวงปู่มั่นก็ไปซักถามในทําน่งในทํานองตําหนิว่าเนี่ยท่านจาลิกอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยนะมีหมู่มิตรมีกระยนน้ำมิดเนี่ยคอยคอยแนะนำํำนะคอยอา่า ชิ้นอะไรบ้างหรือเปล่านะถ้าท่านอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยนะจะหากระยากระยะนานมิทที่ไหนเนี่ยมาคอยชิ้นนะองคุ้มั่นก็บอกว่าพระเดชประคุณอย่าได้ห่วงกังวลกับผมเลยนะเพราะว่าถึงแม้กับผมจะจาริอยู่ผู้เดียวนะรอบตัวนี้ก็เต็มไปด้วยกระยะนานมิตทนะไม่วาจะเป็นจริ้งรีดนะไม่ว่าจะเป็นเรไรนะ แม้จะเป็นนกกระรอกหรือว่าช้างเสือผู้นี้เป็นมิตรนะที่คอยเตือนสตินะคอยให้สติกับกับผมอยตลอดเวลานะธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหมือนมิตรนะที่คอยให้สติกับกระกระผมนะเวลาเห็นใบไม้ร่วงทับถมเวลาเห็นต้นไม้นะที่จากใบไม้ที่จากเขียวเป็นเหลืองเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยรู้แล้วแต่ เป็นเครื่องเตือนสติกับผมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นอยู่ในป่าเนี่ยมีมูมิทคอยเตือนสตินะคอยให้สติให้รู้ว่ากับผมมาจากไหนและจะไปไหนนะเพราะฉะนั้นอพระเดชพระคุณอย่าได้ห่วงกังวลกับผมเลยนะ<ม>หรือท่านบอกเนี่ยไม่ขาดมิตรเลยนะอยู่ในป่าเนี่ยมีมีสิ่งที่คอยเตือนสติและให้ปัญญาตลอดเวลาตอนหลังเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นผ่านไปคงเป็นสิบปีสิบปีอ่ะ ตัามมาวิโนตอนนี้เริ่มมีศรัทธาในพระป่าแล้วเพราะว่าท่านเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนานะท่านป่วยแล้วก็ก็ได้ลูกศิษย์ของเราปู่มั่นนะคือะ้าจันฟันแล้วก็ะ้าจันลนะีใช้สมุนไพรใช้สมาธิทำให้ท่านหายป่วยนะที่เรือหลังพอหายป่วยนี่ท่านก็ดีใจมากแล้วก็เรียกว่าตาสว่างท่านบอกว่าเนี่ยนะ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าสมาธิภาวนาเ น, นี่ยมีคุณคา่าถึงเพียงนี้นะนี่ขนาดท่านเป็นพระชั้นสมเด็จนะแล้วก็เรียนมาก็เรียนสูงนะท่านไม่เคยนึกเลยว่าสมาธิภาวนาที่มีคุณคา่าจริงๆนะแล้วตอนหลังก็เลยเริ่มสัตยานหลวงปู่ ม, มั่นซึ่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ทั้งสองท่านมีคราน้นึงเจอกันที่กรุงเทพนะะสมเด็จอ้วนนั่นก็ถามหลวงปู่ ม, มั่นว่า ท่านเนี่ยนะพระอาจารย์เนี่ยเรียนก็ไม่สูงนะป ร, ะริยติธรรมก็เรียนแค่นักธรรมแต่ทําไมธรรมะเนี่ยถึงสอนได้อย่างลึกซึ้งมากนะคือถ้าไม่เข้าใจว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยนะจะมีจะรู้ธรรมะได้ยังไงท่านเคยบอกว่าเนี่ยว่าขนณะลืมตาแล้วมีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยที่เป็นชั้นนักปราชญ์นะ ยังไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยแล้วหลับการนี่จะรู้ธรรมะได้ยังไงไ <c> ม <oughs> ่เคยพูดนะนี้หลวงปู่มั่นตอบสั้นๆบอกว่าเนี่ยสําหรับผู้มีปัญญานะธรรมะมีอยู่ทุกย่อมย่านะตอบประโยคแค่เนี่ยสั้นๆนสําหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกย่อมญ้านะนะรอบตัวเราเนี่ยธรรมะทั้งนั้น สามารถทำให้ใจเราสงบก็ได้หรือว่าจะเตือนสติเราก็ได้หรือว่าทําให้เราเกิดปัญญาก็ได้นะเพราะว่าอ น, นิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยมันแสดงทําให้เราเห็นตลอดเวลาอจาจารย์พระทานก็พูดอยู่เสมอนะเวลาใครมาเยี่ยมสวนโมงนะบอกให้ไปก็ไปในป่าก็าไปเที่ยวป่าดูนะให้คอยฟังเสียงต้นไม้พูดคอยฟังก้อนหินสอนธรรมนะ อันนี้ก็คือผลหน้าที่หลวงพ่อเขียนท่านนะพยายามที่จะรักษาป่ า, าไว้แล้วก็พยายามอนุรักษ์นะเพื่อเพื่อให้ป่านี่มาเป็นสถานที่สําหรับน้อมนําใจให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมะได้ง่ายขึ้นนะท่านบอกว่าธรรมะกับธรรมชาตินี่มันไม่ได้แยกจากกันเลยนะแล้วท่านก็บอกด้วยวนะ่าคนเราเนี่ยสามารถจำบรรลุธรรมได้นะจากการสังเกตธรรมชาติอันนี้อย่างที่บอกนะว่า การที่เราได้อยู่ทากัรธรรมชาติเนี่ยถ้าเราทาใจถ้าเราทำใจว่างๆนะนอกจากจะเราจะสงบได้ง่ายแล้วก็จะเห็นธรรมะจากธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้ธรรมะที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่อันนี้จังทุกครั้งนักตามันไม่ใช่แค่ความความไม่เที่ยงของสังขารนะธรรมะในระดับที่สูงกว่านั้นนะที่เหนือสามมันเนี่ยมันก็เราก็สามารถจะประสบสัมผัสได้นะ จากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าผาเนี่ยนะอาตมาเชื่อเลยว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันความรู้สึกเนี่ยก็คือความรู้สึกที่เบาสบายนะความรู้สึกโป่งโล่ ง, ลงนะธรรมชาติรอบตัวทิวทัศน์แบบเนี้ยมันทําให้เราได้รู้สึกนะว่าไอการอยู่บนที่สูงนะแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์กว้างๆเนี่ย มันทําให้ใจเราสบายทําให้ใจเราโปร่งทําให้ใจเรารู้สึกผ่อนคลายนะความสุขมันต่างนะเวลาเราอยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นอันนี้อาจจะคงพ่อเห็นนี่กำลังนะวัดที่สําคัญสำคัญหรือสถานที่สําคัญเนะี่ยโดยเฉพาะที่มีการบรรจุพระธาตุนะพระบรมส า, ารีริกธาตุเนีนะ่ยก็มักจะอยู่ันที่สูงนะ สถานที่สำคัญเนี่ยในทางพัตุศาสนาที่ผู้คนจาริกกันเนี่ยมักจะอยู่บนที่สูงนะเช่นพม่าก็พระธาตุาอินแขวนนะถ้าไทยก็้อยสุดเทพนะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อ่าภูเขาไฟฟูจินะหรือว่าถ้าเป็นภูฐานก็ตักสังนะสูงทั้งนั้นนะแล้วก็ไปยากนะถ้าเป็นลังกาก็ อะไรนะลังกานี่ศิล<ร>ปะนะทำไมสิ่งสาคัญในทางพุทธศาสนาของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศเนี่ยถึงอยู่บนที่สูงนะในแง่หนึ่งก็เพราะว่าเราถือว่าของสูงเนี่ยก็ต้องอยู่บนที่สูงนะพระบรมสารีริกธาตุเป็นของสูงก็ต้องสงฆ์คนอยู่บนที่สูงแต่ในแง่นึงเนี่ยนะก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ดึงให้เราเนี่ยได้ขึ้นไปแล้วก็ได้สัมผัสกับที่สูงแล้วเมื่ออยู่บนที่สูงเราก็จะรู้สึกความเบาสบายอันนี้เหมือนกับเป็นจะเป็นเป็นตัวอย่างให้เราได้ตระหนักว่าถ้าใจเราสูงเหมือนกันนะใจเราก็จะสบายนะตัวสูงอย่างเดียวไม่พอนะตัวอยู่บนที่สูงยังยัไม่พอนะถ้าหากใจเราเนี่ยอยู่บนที่สูงด้วยนะหรือใจเราสูง นะมันก็จะเกิดความสุขความสงบเย็นนะสูงในที่นี้ใจสูงนี่หมายความไงสูงคืออยู่เหนือโลกนะตัวเนี่ยอยู่เหนือพื้นโลกนะแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือใจเนี่ยที่อยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมนะถ้าใจเราอยู่เหนื อ, อโลกธรรมเนี่ยนะจะมีความสุขอย่างยิ่งโลกธรรมก็มีแค่แปดอย่างนะโลกธรรมฝ่า ย, นะกกายบวกกับฝ่ายลบโลกธรรมฝ่ายบวกก็คือ มีลาบมียศได้รับความสารเสรินแล้วก็ได้รับความสุขนะแต่ว่าพร้อมๆกับโลกธรรมฝ่ายบวกมันก็จะมีมาคู่กับโลกธรรมฝ่ายลกก บ, ลกก บ, ลกกบลนะก็คือมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะมีสารเสวนก็มีนินทานะมีสุขก็มีทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกธรรมแปดที่มันคอยปักดันผู้คนนะคอยหมุนโลกนะให้ให้เป็นไป และถ้าหากว่าเรายังอยู่ในถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างปุถุชนเนี่ยมันก็จะต้องเจอกับโลกธรรม8นะเจอความผันผวนเปลี่ยนในชีวิตแล้วก็จะทุกไปเพราะสิ่งนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะยกจิตให้อยู่ในโลกธรรมแปได้นะแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ยังอยู่นะยังต้องเจอความต้องเจอการมีการหมดการพบการพลาดต้องเจอมีทั้งเจอและจาก อันนี้ไม่มีใครหนีพ้นตราบใดที่ยงเป็นมนุษย์นะแต่ว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือเหนือเหตุการณ์เหล่านั้นได้ก็คือว่าเวลาได้ได้ลาบได้ยศเราก็ไม่ได้ยินดีกับมันเวลาเสื่อมเยะลาบเสื่อมยศล้วก็ไม่ได้ยินร้ายกับมันนะได้ก็ไม่สุขนะทุกข์ก็ไม่เสียใจนะถ้าใจเรา อ, อยู่เหนืออยู่ในสภาวะเช่นนี้ได้เนี่ย คืออยู่เหนือโลกธรรมแปดเนี่ยใจเราก็จะสงบเย็นนะได้ก็ไม่ดีใจเสียก็ไม่ได้ทุกข์ใจนะจิตที่จะจิตที่จะเป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยคือจิตที่มันอยู่เหนือโลกธรรมแปดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความบาวความสบายอะไรก็ตามที่ได้มาเนี่ ย, วยเวลาเราได้อะไรมามันก็มีความสุขนะมีความดีใจมีความลิงโลดนะ แต่ยิ่งดีใจมากเท่าไหร่นะความเสียใจก็จะรุนแรงขึ้นยามที่ต้องเสียมันไปแล้วคนที่โผล่ร้อ ด, ดังเนี่ยเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้นะดังหรือว่ากลายเกลี้ยวดังเหมือนกั น, เ, นเวลาใครชมเราแล้วเราดีใจยิ่งดีใจมากเท่าไหร่เนี่ยนะก็จะเสียใจมากเท่านั้นเมื่อคําชมนั้นเนี่ยนะมันแปลเป็น คำต่อว่าด่าทอต่อเมื่อแล้ก็ตามที่จิตเราเนี่ยอยู่เหนือนะโลกธรรมแปดเราถึงจะพบความความสงบเยน็นความสุขความป่วงร่วงเบาสบายยิ่งกว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงอย่างนี้ซะอีกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยสามารถจะสอนเราได้นะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังนะเป็นกำลังใจกระตุ้นให้เราเนี่ยพยายามที่จะ ปฏิบัตินะเพื่อที่จะยกจิตของเราให้สูงขึ้นนะชีวิตเรายัางต้องเกี่ยวข้องกับโลกนะแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์นะมันจะมีความผนันปวนไปอย่างไรใจเราก็ยังเป็นปกติได้พุทธศาสนาเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยก็สอนสอนในสอนถึงความจริงนะที่ฟังแล้วก็ดูดูดูดน่ากลัวนะ เป็นสอนว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ยั่งเอาลวเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความตายเป็นที่สุดรอบนะและเมื่อถึงเวลาตายวิญญาณออกจากร่างนะร่างก็ถูกทอดทิ้งนอนทับซึ่งแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้อย่างที่เราสวมมาสักครูเนี้ฟังแล้วเนี่ย พิจารณาแล้วก็หลายคนก็สุกขด ถ, ถูนะแต่ว่าอันนั้นคือความจริงที่เรานี้ไม่พ้นแต่มันมีความจริงที่ยิ่งกว่า น, นั้นนะก็คือความจริงที่ว่าเราสามารถจะอยู่เหนือมันได้นะพระเจ้าคุณตรัสว่าเนี่ยผู้ใดถือเราเป็นกัลยะาณมิตรผู้นั้นนะ อยู่เหนือจากพ้นความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บป่วยผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายนะอันนี้ก็เป็นเป็นถ้อยคาแห่งความหวังนะคือเราฟังแล้วโอ้มันก็ทาให้เราเกิดกำลังใจและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนทาได้นะเราทุกคนเนี่ยมี ความสามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้แม้กายต้องแก่ต้องเจ็บนะแม้ต้องพัดภาคจากของรักคนรักและในสุดแม้ต้องตายเนี่ยแต่ว่าใจเราเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้คือไม่เป็นทุกข์เพราะมันก็ได้อันนี้เรียกว่าอยู่เหนือโลกเนะอยู่เหนือโลกนะตัวเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกนะก็ยังต้องเจอความเสื่อมความสลาย แต่ใจเนี่ยสามารถจะไม่ทุกข์เพราะเหตุนี้ได้อันนี้เรียกว่าอยู่เหนือความแก่ควา ม, วามเจ็บความตายพระเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนนะอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยโลกุตตรธรรมก็คือธรรมที่อยู่เหนือโลกนั่นแหละหรือธรรมที่ทําให้พ้นทุกข์นะซึ่งมันเป็นอริยะมันเป็นทรัพย์ประจำตัวของเราทุกคน ก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ได้นะแต่การที่เราจะยกจิตให้เหนือความทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าความจริงมันคืออะไรนะยอมรับว่าทุกเนี่ยมันเป็นธรรมดานะของชี้เป็นธรรมดาของโลกยอมรับไม่ต่อต้านไม่พักสนะและยอมรับเพือว่ามันเป็นธรรมดา และการยอมรับเช่นนั้นเนี่ยถ้ามันยอมรับอย่างแท้จริงก็จะปล่อยก็จะวางไม่ยึดถือสิ่งใดเพราะไอ้ความยึดถือเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราไปหลงคิดว่ามันให้ความสุขเราหลายคนเนี่ยยึดมั่นหลงในเงินทองเพราะคิดว่าเงินทองจะให้ความสุขได้บางคนหลงในรูปร่างหน้าตาเพราะคิดว่ารูปร่างตาจะให้ความสุขกับเราได้บางคนก็หลงในชื่อเสียงเพราะคิดว่าชื่อเสียงจะให้ความสุขกับเราได้แต่เมื่อได้ประจักษ์กระจายว่า ให้เงินทองนี่มันก็ทําให้ทุกข์นะชื่อเสียงก็ทําให้ทุกข์ร่างกายนี่ก็ทําให้ทุกข์เหมือนกันสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเรามันก็สามารถจะให้ทุกข์กับเราได้ร่างกายของเราเนี่ยจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่แค่เราเนี่ยนอนหรือนั่งในท่าที่สบายเนี่ยเราก็จะพบในไม่นานว่ามันไม่ได้สบายจริง ตอนนี้เราคิดว่าเออนั่งบนพื้นเนี่ยมันไม่สบายนะถ้านั่งบนเก้าอี้จะสบายกว่าแล้วพอเรานั่งเก้าอี้เราก็สบา ย, ยาจริงแต่มันก็สบายประเดี๋ยวเดีย ว, ยวถ้านั่งไปนานๆก็จะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะแล้วเราคิดว่าก็ย อ, อ, อย่าอย่างกันนั่นเลยนอนดีกว่าเวลาเราลงนอนก็สบายใช่ไหมแต่มันสบายได้ไม่นานนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มเมื่อยเวลาเรานอนเนี่ย ถ้าเรานอนหลับเราไม่รู้ตัวเราว่าเราพลิกอยู่ตลอดเวลาคนที่นอนโดยที่ไม่ได้พลิกตัวเนี่ยเอาแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอจะรู้สึกปวดเมื่อยนะอย่างบางคนเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดนานเนี่ย6กเจ็ชั่วโมงเนี่ยนะพอฟื้นขึ้นมานี่ปวดเมื่อยมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้พลิกเลยนะนี่งั้นะไม่ว่าไม่ว่าอะไรที่ไม่ว่าท่าไหนที่เราเิดว่าสบายนะ มันสบายไปเดี๋ยวเดียวเสร็จ แ, แล้วความทุกข์ก็จะตามมานะเรียกว่าทุกข์ชั่วคราวนะแต่ว่าทุกข์ยาวนานนี้ถ้าเราเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราปล่อยทําให้เราวางนะเพราะเรารู้ว่าอะไรแล้วก็เป็นทุกข์และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่จิตเราจะเป็นอิสระนะจากความความทุกข์ทั้งหลายนะกายมันทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะ อันนี้เป็นเรื่องของการที่เป็นผลของการปฏิบัตินะดันการปฏิบัติที่เรียกว่าการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันคือการที่ทำให้จิต ข, ของเราเนี่ยเห็นความจริงจนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้และเมื่อถึงตอนนั้นการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นและเมื่อปล่อยวางก็จะความหลุดพ้น หลุดพ้นคือหลบพนจากความทุกข์นะมันมีความเสือ่อมมันมีความสลายมันมีความแปรเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์ดังนั้นไม่ว่าเราจะจะตกอยู่ภายใต้ความแก่ความชาราไม่ว่าเราจะตกอยู่ภายใต้ความเจ็บความป่วยแต่มันก็เป็นแค่อาการทางกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วถ้าเรามีมี ปัญญาที่เกิดจากธรรมะเนี่ยนะแม้จะเจออะไรก็ตามมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้นะสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะหให้กลายเป็นโชคได้ดยซ้ำนะเราจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าคราะสิ่งที่เรียกว่าครรนเนี่ยบางทีมันเป็นโชคนะที่สามารถจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงนะของของโลกจงกระทั่งพร้อมที่จะปล่อยวางได้ ในในในพระเตมิโตมีเรื่องราวของคนที่ต้องเจ็บป่วยนะด้วยโรคร้ายแต่ว่าทีแรกก็ทุกนะแต่หลังจากที่ใจมันพลิกเนี่ยนะก็สามารถจะเห็นธรรมะจากความเจ็บความป่วยนจนกระทั่งสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างพระติสระซึ่งป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจแผลปุ๊บพองเต็มตัวนะจนกระทั่ง เคิ่นพระไม่อยากจะพยาบาลหนีปล่อยให้ท่านนอนจมกองอุจจาระปัสวะจนท่านพุทธเจ้าต้องเสด็จมามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักไปต้มก็เริ่มสบายเนื้อสบายตัวแต่ทุกขเวทนาก็แรงกล้ากำเริบ ม, มากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ท่านใกล้ตายเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้นะได้พูดเป็นคาถาเตือนสตินะให้เห็นว่า ถึงเห็ น, หนความไม่เที่ยงของสังขารว่าสังขารเนี่ยนะมันไม่เที่ยงไม่จีิรังเลยและเมื่อวิญยาวจากร่างถูกคนทิ้งมันก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนต้นไม้หาประโยชน์ไม่ได้ท่านพิจารณาตามเนี่ยท่านก็เห็นจริงๆนะโ อ, อสังขารเป็นทุกข์มากยอมรับยอมรับอย่างสิ้นเชิงว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่นายึดถือจิต ก, ก็หลุดพนะ้นแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่นะคือถ้าไม่ป่วยนี่ก็ไม่บรรลุนะต้องป่วยต้องบรรลุบางทีไอ้มันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่อยากจะประสบพบเห็นแล้วพอเกิดขึ้นเราก็มาจจะคิดว่าโอมันแย่เหลือเกินมันเลวร้วายเหลือเกินแต่ใครจะไปรู้นะั้นาจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ในพุทธการก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราษะอยู่เลี้ยงดูลูเลี้ยงดูลูกมาจนจนชรา ถึงเวลาที่จะให้ลูกเลี้ยงมัง่งลูกก็ทิ้ง<ม>นะไม่ดูแลพ่อแม่อ ก, การที่ลูกไม่ดูแลพ่อแม่นี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะหรือว่าย้อนถอยหลังไปนะมันไม่ใช่เพิ่งมีสมัยนี้ลาวท้าพานนี่ก็กลายเป็นยาจกก็ก็ไม่รู้ทําไงก็เลยนึกถึงนึกถึงวัดนะก็อยากบวชแต่ไม่มีใครยอมบวชให้นะเพราะว่าลาวท้าพานก็ลาวทัาพานี่ก็แก่แล้วนะ พุจจ ա กก็เลยถามสงว่ามีใครที่เคยระลึกนึกถึงความดีของราธะมั่งพระสารีบุตรก็บอกว่านึกถึงนะเพราะราธะพราม์เคยให้ข้าวก้อนหนึ่งตอนบินธ บ, บาตพระปจจากก็เลยก็เลยบัญชาให้พระสาบุตรเป็นอุปชายนะ์บวชให้กับราธะพรามราธะพรามเนี่ย แม้เป็นคนแก่นะแต่ว่าไม่ได้ดื้อนะเหมือนกับที่ใครๆคิดกนะ่ อ, อนน้อมถ่อมตัวก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเกิดไม่โดนลูกนะขับไล่สายส่งนะคงจะไม่บรรลุเหมือนกันนะถ้าไม่ลูกไม่ถ้าลูกเลี้ยงดูอย่างดีนะก็คงจะอชีวิตก็คงไปอีกแบบหนึ่งนะสบายแต่เวลาตายก็ตายด้วยความทุกขท์ทรมานนะพราะไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจนะ แต่ว่านี่ถูกลูกทิ้งนะก็เลยบางหน้าเข้ามาหาวัดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้บวชนะและเมื่อได้บวชได้ครูบาอาจารยนะ์แลสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งนี่ก็เรียกว่าน่าสงสารยิ่งกว่านะชื่อโสนานะเ ป, น เ, ปนาเป็นเป็นจะเรียกเป็นเศรษฐีนี่ก็ได้ที่ร่ํารวยนะผัวตายก็สาเรเลี้ยงลูกมาจกนกระทั่งลูกก็ เรียกว่าช่วยตัวเองได้พอตัวเองแก่ลูกก็บอกว่าแม่เนี่ยแบ่งสมบัติได้ได้แล้วนะพอแม่ก็ชะลาแล้วโนาก็แบ่งนะให้ลูกทั้งเจ็ดคนลูกชายทั้งเจ็ดคนเท่าๆกันก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะไปฝากชีวิตนะฝากชีวิตไว้กับลูกพอแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วเนี่ยพอแบ่งสมบัติให้ลูกก็ไปอยู่กับลูกคนโต อยู่ได้ไม่นานนะลูกสะพ้ายนะก็ก็ไปยุ่แยงนะผัวว่าเนียเ่ยเราก็ได้เท่ากับลูกคนอื่นนะแต่ทำไมแม่ต้องมาอยู่กับเราด้วยนะเป็นภาระของเรานะพูดไปพูดมาผัวก็ยอมนะก็เลยให้แม่เนี่ยไปอยู่กับลูกคนที่สองแม่ก็ไปนะอยู่ลูกคนที่สองอยู่ได้ไม่นานก็เจอเรื่องเดิมซ้าอีก ก็ไปอยู่โลกคนที่สามแล้วก็อยู่โลกคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดสุดท้ายไม่มีใครรับเลี้ยงแม่เลยโอเจ็บปวดมากนะทายังไงคนที่เจอแบบนี้คงจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันโหดร้ายเหลือเกินนะไม่มีทางไปแล้วก็เลยไปบวชเป็นภิกษุณีนะยังดีนะที่เขาบวชให้นะแต่ว่าบวชแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับเป็นเป็น เป็นเป็นผู้พรรษาน้อยนะเป็นพระเป็นพระบวชใหม่เขาก็ใช้โน่นใช้นี่นะใช้สารพัดเลยนะล่นให้ใช้ให้ไปทำครัวผ่าฟืนต้มน้ําร้อนมีคาวานึก็ให้ไปต้มน้ําร้อนนะใช้เฝ้าครัวไปนะพวกเราจะไปฟังพระเจ้าแสดงธรรมปล่อยให้โสนาเถรีเนี่ยน ะ, ะต้มน้ําร้อนท่านก็ เป็นคนว่าง่ายนะก็พันเตสั่งอะไรก็ทำถึงแม้ว่าจะเป็นคนข่าวข่าวลูกขาวหลานนะท่านก็น้อมนะน้อมรับฟังระหว่างที่ร อ, อน้ำเดือดนะก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมรอบรอบในครัวเนี่นะเดินไปก็พิจารณานะดูกายดูใจไหมรากว่าบรธททำเป็นฝ้าหลานเลยนะ อันนี้ก็น่าคิดนะว่าถ้าถ้ารู้ไม่ทิงนะก็คงจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเราเจอเรื่องแบบนี้เยอะเลยนะคนที่เจอเคราะห์เจ อ, อเจอถ้าเรียกภาษาอ่าชาสมัยนี้เรียกว่าเจอความซวยนะแต่สุดท้ายเนี่ยกับกลายเป็นดีไปได้นะเพราะว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์อันนี้ก็ไม่เข้าวัดลราก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเพราะนันนี้ก็อันนี้ ก็เป็นเรื่องของธรรมบ้านนะที่ถ้าเกิดว่าเราได้ได้ได้เข้าใจเข้าถึงเนี่ยนะแม้ว่าไอ้สิ่งดีๆไอ้สิ่งแย่ๆเนี่ยมันก็กลายเป็นดีไปได้นะหลวงพ่อคําเขียนท่านก็สอนอยู่เสมอนะว่านักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักเปลี่ยนไายกลายเป็นดีนะช่วยโอกาสแล้วก็รู้จักเปลี่ยนไายให้กลายเป็นดนะีถ้าเราเปลี่ยนไายกลายเป็นดีไม่ได้นี่ก็มันไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม ล้วก็ฝากาไว้นะให้เราได้พิจารณาในอกาสที่เราได้มาทำวัดในสถานที่ในบรรยากาศอย่างนี้นะแล้วก็ยุติเท่านี้กลับหาร้ม